หือนะร่ า, างทำกันเดี๋ยวก็ร่างดูในภาคปฏิบัติภาคเดินทางภาคทำงานสนุกอะไรอะไรก็ผ่านไป การความหลงการเดินทางปฏิบัติมันก็มีสิ่งที่ผ่านพ้นไปมีงานอยู่การผ่านไปกาความหลงเาจะไม่เช่อยู่ไอ้บทใจอาจะไม่เดินจงกรมว่าจะไม่สร้างจังหวะยกหรือเคลื่อนไหว ความหลงไม่ได้อยู่ในการสร้างจังหวะไม่ได้อยู่กับการเคลื่อนไหวความหลงอยู่กับกายกับใจของเราดังที่เราเคลื่อนไหวอยู่สร้างจังหวะอยู่ก็จะหลงเราเดินอยู่อาจจะผิดอาจจถูกได้ ไปมีความผิดจนขณะที่เดินไปมีความผิดสูงขนาที่เดินตอนนั้นไม่พองความหลองอยู่โดยทุกรูปแบบต า, ตาทางหูจมูกเลี้ยกายใจหลบรถกิกกนเสียงหลงได้แล้วก็มีอยู่โดยชอบมีสติได้ทุกอริบท ง่ายง่ายไม่ใช่สร้างจังหวะสู้ความหลงไม่ใช่เดินจังกรมสู้ความหลงมีสติเห็นถ้ามีสติก็เหมือนมีตาภายในดูเลยชีวิตของเราดูเล่กายดูเลใจของเรา ณก่อตั้งต้นจากที่นี้ความหลงก็ดีความรู้ก็ดีความผิดความถูกสุขทุกข์ ก, ก็ดีเกิดจุดที่เกิดที่ ใ, ใจของเราเราก็มีแรล่งศึกษาแรล่งเรียนรู้พร้อมแล้วเป็นเป็นตำลาที่จะบวงบอกเราขอให้เราได้ดู ความผิดมันบอกเราให้เรารู้ความถูกมันบอกให้เรารู้ความส่ขความทุกมันบอกให้เรารู้ไม่ใช่ให้มาไม่ใช่สุขเป็นสุขทุกข์เป็นทุกข์ผิดเป็นผิดถูกเป็นถูกเราจะหลงตรงนั้นถ้าเราดูถ้ามีตาภายในมีสติจะไม่หลงตรงนั้นสนุกไม่ต้องไปไหน นั่งน้านอนๆอ น, น, อ, นอยู่ก็ได้เราจึงเป็นการศึกษาที่มีเหตุมีผลเ ป, เป็นกอบเป็นกำสิ่งที่เราทำไม่ต้องมีรอวันนี้พรุ่งนี้ปีนี้เดือนนี้ปีหน้าเดือนหน้าไม่ใช่เป็นปัจจุตัง ความหลงเกิดขึ้นความสุขความทุกข์เกิดขึ้นนั่นแหละโอกาสที่เราเรียนรู้่าให้หลงปีอย่าให้สุขทุกปีปีอันที่ไม่หลงอันที่ไม่ผิดไม่ถูกสุขทุกมีอยู่ความสุขความไม่สุขก็ ม, มีอยู่ความทุกข์ความไม่ทุกข์ก็มีอยู่เราจึงใส่ใจตรงนี้บ้างอย่าให้มัน พลาดอย่าให้พลาดซะหลงที่ใดได้บทเรียนแล้วได้ความรู้จบที่ไหนทุกที่ใดได้ความรู้นี่คือนักปฏิบัตินักเดินทางถ้าจะเป็นคงหลงก็เป็นป่าเป็นพงความสุขความทุกข์เป็นป่าเป็นพงผิดถูกเป็นดงเป็นป่าอยู่ ความลักความชังพอใจไม่พอใจยังเป็นป่าเป็นดงผ่านไปผ่านไปให้ความพอใจเป็นความรู้ให้ความไม่พอใจเป็นความรู้หรือ ว, ว่าผ่านแล้ว <c oughs> ถ้าสุขเป็นสุขยังไม่ผ่านก็ทุกข์เป็นทุกข์ยังไม่ผ่า น, า น, านพอใจ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 อะไรที่มันเกิดนอกจากคามรู้สึกตัวเราเปลี่ยนมาเป็นความรู้สึกตัวทั้งหมดอาจจะไม่นานถ้าเปลี่ยนจากนี้บาทีเราก็อยู่ในความสุขของทุกมานานอยู่ในความรักควาเจลดชังมานานยู่ในความผิดความถูกมานานในความพอใจไม่พอใจมานาน เมือเกิดพ่อขางหัวก็ก็ค่อยนกว่าคนที่ไม่มีจดิตนิสัยแบบนั้นบางคนก็ง่ายบางคนก็ยากเพราะกรรมของเราเองมันมันสร้างมาบางคนง่ายที่จะหลงออกหน้าออกตาง่ายที่จะ วิชาเเบียนง่ายที่จะเรักนง่ายที่เกียดชังแต่บางคนก็ไม่มีเช่นนั้นจึงมาศึกษาก็เป็นอุคติตัมอยูบุคคลง่ายๆบางทีความหลงบางคนบางคนอาถือว่า ไม่ชอบไปสี่อกเราความไม่ชอบในความหลงมันมันไปสองต่อแล้วเราความพอใจในความไม่หลงเวลามันสงบพอใจเวลามันไม่สงบไม่พอใจมันไปถึงโน้นก็เลยยากซะหน่อยเวลามันสุขก็สุขเวลามันทุกข์ก็ทุกข์ เราก็เลยยากถ้ามันสุกรู้ถ้ามันทุกรู้มันผิดอะไรต่างๆรู้ขึ้นมานะเท่าๆกันหมดภาวะที่รู้เท่ากันตัวสุก็รู้ไม่มีสุขที่เป็นรสชาติทุ ก, ก็รู้ไม่มีทุกที่เป็นรสชาติ พอใจไม่พอใจมีแต่รูกความพอใจควบไม่พอใจไม่มีรสชาตินเนี่อากจากหมดไปจากชีวิตของเราถ้าเราไม่เดินมามาเคลื่อนมาตรงนี้ไม่หลุดมาตรงนี้มันก็เป็นอยู่ดังนั้นตลอดไปตลอดพบตลอดชาติได้มีเช่นนั้นอยู่พอใจไม่พอใจ ปิดปิดถูกๆสู่ๆูทุก็ต้องมีเกิดเจ็บเจ็บตายเพราะมันเป็นมันเป็นสายสายสาบาปสายกุบาปสายกรรมไปไม่ได้การปฏิบัติธรรมน่ะควมรู้สึกตัวนเป็นการอยู่โดยโชคที่สุด อาจจะไม่ได้นั่งอยู่สุกโตอาจจอยู่ที่ไหนก็ตามถ้ารู้สึกตัวดรวยว่าอยู่โดยชอบแล้วผู้ใดอยู่โดยชอบก็ะจะใกล้ชิดกับมรรคผลนผานถ้าอยู่ไม่ชอบเป็นสุขเป็นทุกข์ห่างไกลจากมรรคผล ถ้าหลงไม่พอใจถ้ารู้พอใจยังห่างมักผลอยู่ยังไม่ผ่านไปจากดงจากป่าถ้ามักผลนิพพานมันโลง่งแจ้งเหมือนเราเดินเข้าถ้ำขนตานเจ็ดกมออยู่ในถ้ำมันก็มืดอยู่ต้องส่องไปในบางโอกาส แต่ทางเดินก็ไม่ใช่ทางเ ร, เรียบต้องต้องนับเก้าตามหมอนรถไฟก็หมอนรถไฟมันก็ไม่พอดีกับเก้าของเราห่างเกินไปแล้วเราก็ไม่ถูกก็สะดุดมันก็มีความไม่สะดวกเวลาเราเดินอยู่ในถ้ำขุนตาล เจิตก็ามาเนื้อออกจากท่าไปแล้วมันโลุงแจงเหมนก็ก็ทุกขนี้แหละมันเปลี่ยนแปลงไปได้เปลี่ยนแปลงมันพ้นจากความหลงพ้นจากความสุขความทุกข์พ้นจากความพอใจความไม่พอใจแล้วก็โลง่งแจงเหมือนคนออกจากตรงจากป่า หรือมัอนก็เดินขึ้นเขาเหล่าที่เดินอยู่หน้าผาขึ้นเขาปีนเขา <c oughs> มันก็มันก็ยากลำบากถ้เดินขึ้นพอนเขาลราอยู่บนหลังเขาแลหัวโล่งแจง้งชีวิตก็เปลี่ยนไปได้มีอยู่ข้างหนังเดินทางกับพระอนเนก พรนเอกเป็นคนจีนล้านล้านขายเครื่องหนังในบางลำพูสองราอนอะไรล้านกรุงลมกรุงลมล้านอะไรเอกบางลงพู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 เราเดินขึ้นเขาสมัยปีห้ารอยสิบสี่สิบห้าเดินขึ้นเขามาเนี่ยเราเดินขึ้นเขาไม่เคยเดินขึ้นเขาก็เป็นคนจีนสุ ข, ขุมอริชาติอ์อ <c oughs> แล้วก็เขลเขามาพักที่ น, น่นพักที่นี่มาแต่เราเดินขึ้นเขาไม่เคยพัก มากับขอก็พ่าขอก็พักด้ว่ยเขาก็บอกว่าขอพักสักหน่อยขอพักสักหน่อยพักมาพักไปต่อก็จะถึงหน้าผาก็พอถึงหน้าผาแล้วพักสักหน่อยให้พักนอนสักหน่อยหมดแรงแล้วก็ได้เฮ้ยอยูไม่ไกลเนี่ยขึ้นไปชั่วหน่อยก็ถึงแล้ว พอขึ้นถึงหน้าผาขึ้นถึงหลังเขาเขาก็บอกเอา้าเอา้าทําไมเป็นอย่างนี้ทําไมเป็นอย่างนี้เป็นอะไรละ่ะมันก็หายเหนื่อยมันหายเหนื่อยทันทีก็จะพักไม่ต้องพักมันทําไมจึงเป็นอย่างนี้มันทําไมจึงเป็นอย่างนี้ หายเหนื่อยไม่มีเหนื่อยหล้วไปไปเดินตะพื่อตะเพไม่ต้องนั่งเลยนั่นมันเป็นไปอย่างนั้นบรรยากาศจาความหลงจาความสุขความทุกข์จาความชอบความไม่ชอบที่เหมือนเคยเป็นตรงเป็นป่าเหมือนหน้าผายากลําบากาก็เหมันลุออกโตมาเหมือนกับขึ้นนั่งบนหลังเขา มันโลเราจะพูดกันว่าพ้นโล่เอ้ยพ่นโล่เอ้ยพ้นแล้ ว, อล ว, อลวมองไปทางหน้าผาก็ตดำจริงๆแล้วก็ลั่วเราเดินา่ารสชาติของความผิดความถูกเป็นยังไงรสชาติความสุขความทุกข์เป็นยังไงรสชาติของความยากความง่าเป็นไงต อ, งมองมนตอมันขึ้นถึงหลังเขาเราก็มันก็เปลี่ยนแปลง พ้นภาวะเก่าไหมายถึงกิตนะสภาพของกิจสภาพของทิฏฐิความเห็นต่างเก่าพ้นภาวะเดิมชีวิตมันควรจะเป็นอย่างนั้นพ้นจากความสุขพ้นจากควทุกข์พ้นจากก้นกเกิดเจ็บเจ็บตายมันจะเป็นอย่างไร แล้วก็เริ่มต้นเก้าจากวันหลงลู้นี่แหละเก้าเก้าจากภาวะที่รู้นี่แหละยังไม่มันหลงก็รู้ไปรู้สึกตัวอยู่อาจจะอยู่ในแบบไหนอดีตวันใดก็ได้ความรู้สึกตัวไม่มีไม่มีการไม่มีเวลาหัดรู้สึกตัวไปบางทีก็อาจจนิมิตถ้ายังไม่ ไม่ชํานาญอาสายกายลมหายใจเคลื่อนไหวเดินจงกรมประกอกมีที่ตั้งมีการกระทําไปก่อนเหมือนเราเรียนหนังสือตาต้องดูหนังสือกระดานมือต้องเขียนเขียนก็ต้องเขียนใส่เทศบรรทัดตีวันทันฉีดบรรทัดต่อไปต่อไปก็ไม่ต้องดูกระดาน ถ้าเรียนรู้แล้วเขียนเป็นแล้วไม่ต้องมีบรรทัดก็ได้ร่วมเมือนจานานได้จานานในความรู้มันก็บ <c oughs> <c oughs> ้าว่าที่หลงไม่ต้องไปเรียนรู้มันมันจบเป็นก็ไก่มันจบแล้วมันอยู่ในชีวิตขวงเราอ่อานออกเขียนได้รู้ภาษารู้ความหมาย อธิบายทีหลังเกิดแตกแขนทีหลังเหมือนเราเรียนคณิตศาสตร์เรียนสูตรคูณแล้วก็ท่องเป็นภาษานกเข้ยวนก้นท้องไปสองหนึ 2, 2่ 10, งเป็นสองสองห้าเป็นสิบสองสิบเป็นยี่สิบไปแต่มันแตกแขนเอามาทำคณิตศาสตร์ได้บวกลุกคูณหารได้ได้ผลออกมาเป็นยังไง นั่นมันก็แตกฉานอันความรู้สึกตัวมันก็แตกฉานแตกฉานจนเป็นมักเป็นฝน <c oughs> เป็นมักฝนไม่ผ่านไปเลยจากความรู้สึกตัวเนี่ยเรามันก็ผ่านผ่านหลงผ่านถูกผ่านทุกข์ผ่านโกรธผ่านความชอบความไม่ชอบผ่านความอิจฉาเบียดเบียนพยาบาทผ่านมาหมดเลย นมันก็เป็นเป็นวิทีสัมผัสทำไมเราจึงต้องจึงต้องข้าพูดไม่ใช่หมายคิดได้เหตุไดผลเอามาพูดมันเป็นเกิดจากการกระทาเหมือนพระพรุทธเจ้าตะโกนบอกพระอริยสงฆ์พระสงฆ์ต้องลาย เห็นพระสงฆ์ตลายเห็นกับตาสอนกับตาเห็นพระสงฆ์ทำผิดสอนเวลามันผิดมีผู้สอนมีพระพุทธเจ้าเป็นผู้สอนเช่นพระวักกลิวกกลีเนยพระเจ้าด่าต่อตาต่อหน้าต่อตาเลยพระวักกลีนี่ยชอบพระพุทธเจ้า ชอบลักษณะชอบใบหน้าชอบเล็บมือนิ้วมือนิ้วเท้ามองอยู่พระวิชชาพัะทับอยู่ที่ใดวัคคิจะนั่งมองสมัยเป็นโยมพระพิชาเสด็จไปที่ไหนวักกฤษิตามไปจนตัดชิงใจออกบวดตามพระองค์ เพื่อจะได้อยู่ใกล้ๆการออกบวชของบกคลิไม่ใช่บวชด้วยศรัทธาปฏิบัติธรรมอะไรบวชศรัทธาเพราะความเห็นใบหน้าเห็นท่าทางเห็นอิ่มญาติของพระพุทธเจ้าเราเกิดศรัทธาอยากอยู่ใกล้ๆเวลาอยู่ใกล้พระเจ้ามันมีความสุขก็อยู่แถอะนะอยู่ที่ไหนพระตัวงพระตัวองบัตทับอยู่ที่ใดบกคลิ ก็อย uh, ู่แถวนั้นแ่ะเผลอๆหัดจับนู่นเผลอๆจับพระปาดจับพระเท้าจับอะไรต่างๆของพระพุทธเจ้าจับสายจีวรแล้วเจ้าเจ้าเห็นเขาด่าเลยว่ากะลิเธอจงหนีไปเธอมา เห็นพูะพุทธเจ้าด้วยรูปร่างลักษณะไม่ใช่พระุทธเจ้าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเหล่าตถาคตผู้ใดไม่เห็นธรรมผูน้นั้นเห็นเหล่าตถาคตผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้ใดเห็นปฏิจจสมุปบาทผู้นั้นชื่อว่าเห็นธรรมเธอเจะหนีไปจะมาจะมาดูนั่งดูอยู่เนี่ย รูปร่างนี่มันก็เจอะเท่าตายไปเหมือนกันพู้พระเจ้าตัวจริงไม่ใช่คือธรรมะแล้วก็ด้ก็เสียใจพระเจ้าเลยเนี่ยพระเจ้าเลยเนี่เสียใจไม่มีทางที่จะไปทางเงินลายเลยคิดจะฆ่าตัวตายเหมือนกับชายหนุ่มยังสาว อ, อกหักเสียใจถ้าตัวเองรักกะลีก็จะไปโดดหน้าผาให้มันตายใช่ไม่ได้อยู่กับผู้เจ้าต่อไปจริงๆริงผู้เจ้าก็ตามไปจับแขนอะไรรักกะลีผู้เจ้าจึงบอกว่าผู้เจ้าตัวจริงไม่ใช่นี้คือธรรมะโน้นปฏิบัติให้มีสติจะเห็นผู้เจ้าตัวจริง นี่ไม่ใช่พระเจ้าตัวจริงเป็นเพียงรูปกายแต่ว่ากระดีก็สะดุดขึ้นมาถ้าตัวจริงเกี่ยวขนาดไหนถ้าถ้ายังไม่จริงขนาดนี้แล้วถ้าพระเจ้าจริงๆจะเป็ น, ปนยังไงอาจจะดีกว่านี้แล้วกระดีเลยเปลีป่ยนแปลงไปปฏิบัติธรรมได้บรรลุธรรมเห็นแล้วก็คิดตรงนี้ก็ เห็นความคิดถ่วงเสียใจเห็นความเสียใจเห็นความบกหักเปลี่ยนความเสียใจเป็นความรู้เปลี่ยนความบุกหักทุกข์ดุรลดลเป็นความรู้ออขึ้นมามันก็ต่างเก่าแต่ก่อนทุกเป็นทุกแบบนี้ทุกเป็นรู้แล้วก่อนพอใจเป็นพอใจไม่พอใจเป็นไม่พอใจพอ ม, มารู้มันรู้มันก็สัมปัตไปสัมปัตไป สัมผัสไปสัมผัสความหลงสัมผัสความรู้สัมผัสความทุกข์หรือว่าทุกข์นะว่าก็ะดิหนระเจ้าไรหนีอ่ะอกหักอนั่นแหละทําให้เกิดการมารู้ธรรมด่าถ้าถ้าเห็นชอบก็ไปถ้าเห็นไม่ชอบก็พาทุกข์ให้ไปทุกข์ไปเสียใจก็เสียใจไปคนนี้ก็เป็นอย่างนั้นส่วนมาก อดีใจก็หกัวเราถ้าเสียใจก็ร้องไงถึงกับฆ่าตัวตายถึงกับหลงตัวเลื่องตนเสียผู้เสียคนในความพอใจมีอยู่ทั่วไปบุคลิกก็เปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเสียใจเปลี่ยนมาเป็นภาวะที่รู้สึกตัวพ่นหมาพ่นหมาพ่นหมอได้อยบรรลุทำอะไรเป็นพระหรหันต์ได้เพราะความอกหักเสียใจ อย่างเนี้ยเออนั่นหนึ่งปฏิปธรรมไม่ใช่ไม่ใช่อาใสยเลยมากมาอาศัยเหตุปัจจัยที่มันอยู่กับเราเน้ยให้มันให้มันล่วงพ้นภาวะเก่ามันหลงดีแล้วจะได้รู้มันผิดดีแล้วจะได้รู้มันถธ่ดีแล้วจะได้รู้มันสงบดีแล้วจะได้รู้มันไม่สงบก็ดูแล้วจะได้รู้มันให้บทเรียนเราเราก็รู้เอารู้เอารู้เอา ก็จะเปลี่ยนเบี่ยนเหมือนกับโบกคืนโบกคืนโบกคืนอะไรมันจอนมาโบกคืนแบบใล้เรานั่งครวบ้านเราอะไรมันขึ้นมาไล่บันไปไม่เอาได้ไล่ไปไม่เอาโบกคืนโบกคืนไม่เปลี่ยนไม่เป็นมันฉุกไม่เป็นฉุกมันทุกไม่เป็นทุกมันลูกไม่เป็นลูกมันหลงไม่เป็นหลงมันสงบไม่เป็นสงบมันพุ่งสั้นไม่เป็นผู้ผู้สั้น มันก็อยู่ที่เก่าการอยู่ที่เก่ามันก็ไปนะไม่ได้เดินมันก็เดินเท่าเรืองเรืองเห็นถูกมันไปเรื่อยมันหลงรู้เห็นถูกมันไปแล้วไปจากความเห็นผิดมันโศกเห็นถูกไปจากความผิดมันทุกข์เห็นทุกข์ไปจากความทุกข์แล้วถ้าเห็นนะถ้าเห็นก็หลุดพ้นการเดินการเดินตามอริมักเป็นอย่างนี้ สัมมาทิติไม่ใช่ก้าวสักก้าวเป็นความเห็นเห็นชอบกันเนี่ยได้เห็นก็หลุดพ้นถ้าเป็นหลุดพ้นไม่ได้มันเห็นจึงเป็นการหลุดพ้นมันเป็นไม่ไม่ก็ไม่หลุดพ้นเห็นทุกข์จึงพ้นจากทุกข์ถ้าเป็นทุกข์ก็ไม่พ้นจากทุกข์เห็นหลงก็เป็นผู้หลงเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลง เห็นมันเจ็บไม่เป็นผ so ู้เจ็บเห็นมันเจ็บไม่เป็นผู้เจ็บเห็นมันตายไม่เป็นผู้ตายไม่ได้ตายเพราะความตายไม่ได้ตายเพราะความผจ็บไม่ได้เจ็บเพราะความเจ็บมันเป็นอย่างนี้ของจริงเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะกลัวตายจะไปทำอะไรโน่นนี่ไม่ใช่เห็นแล้วทำเป็นแล้วทำได้แล้ว มันก็ทำได้แล้วมันหลงเห็นมันหลงไม่เป็นผู้หลงมีสติมันทำได้แล้วมันทุกข์เห็มันทุกข์ไม่เป็นผู้ทุกข์มีสติทำได้แล้วเป็นชำนานได้สุดเลยไม่มีอะไรชำนานมากกว่าการมาลูกของจริงของความหลงมันไม่จริงความลูกมันจริงมันก็ชำนานไม่ใช่แบบจำโมมันสัมผัสเป็นการสัมผัสนะ อันจำมันลืมหรืว่าจำเลหเขาเืยสอนหด้อยจำมาแต่การทำให้เป็นนี่ยเราสอนตัวเราทำเอาเองทำเป็นสอนให้เป็นไม่มีใครสอนเราได้ทำเป็นเราต้องทำเราต้องหัดเอาเองไม่มีใครสอนกันได้ไม่มีครูคนไหนที่สอนให้เราทำเป็นได้เราต้องทำเป็น เช่นงานบางอย่างเราต้องทําเป็นไม่ใช่รู้เฉยๆทาไม่เป็นเช่นความหลงมังนไม่ดีรู้อยู่แต่ว่ามันเรามันหลงเราไม่ต้องรู้มีความรู้สึกตัวขึ้นมานะ่ะไม่ต้องใช้ความรู้เลยไม่ต้องใช้สมองเลยเป็นการกระทํานองไปการก็ทํานั้นมันศักดิ์สิทธิ์มันศักดิ์สิทธิ์เปลี่ยน หลงเป็นลูได้เปลี่ยนทุกเป็นลู่ได้การกระทำแต่ความรู้เปลี่ยนไม่ได้รู้กโกรธไม่ดีเราก็โกรธรู้ทุกไม่ดีเราก็ทุกอันนั่นไม่็ความรู้แต่การทำให้เป็นไม่ใช่รู้มันทำเป็นมันเห็นเหมือนตาเนี่ยเห็นงูมันก็หลุดพ้นจากงูถ้า <c oughs> เห็นแล้วก็ไม่ให้งูกัด เห็นหลุมเหอนบ่อก็ไม่ตรงตกหลุมตกบ่อเห็นหลักเห็นตอก็ไม่สะดุดหลักตุดตอก็เดินทางไปถึงไหนถึงไหนถ้าไม่เห็นแล้วก็ก็ไม่พ้นหรอกเห็นงูตาบอดเพ็นงูไปเหยียบงูก็งูกระตายเพราะไม่เห็นตาภายในมันเห็นแม้แต่ตาเนื้อไม่เห็นก็เห็นอันที่ว่าทุกข์เนี่ย แปลว่าอันตาเนื้อไม่เห็นต้องอาศัยคนเด่นหูไม่ได้ยินต้องอาศัยคนเื่นแต่ตาในเน่ไม่ต้องอาศัยใครเป็นตาหิตาโนนาโถเป็นที่พึ่งของตนเองอันพึ่งคนเด่นน่ะไม่จีรังยังง่งยนืนได้จึงมาหัดกันให้เป็นเรื่องรีบร้อนชั่วหน่อยก็ลังหัดได้ สี่สิบสามสิบสี่สิบห้าสิบปีนี่มีพลังงานเกิดขึ้นมากในยุคในยุคปุณนี้ต้นต้นเราจะถ้าจะเปรียบสมัยข้างพุทธการก็คงจะดีกว่าเราเพราะพระพุทธเจ้ามีตัวมี ต, มตนอยู่ได้ยินเสียงแสดงธรรมเห็นการเดินกันนั่งของพระองค์ สาวโทั้งหลายก็ก็มีสวนรวมโดยที่ผู้เจ้าพระสาสดาล้วก็ตื่นหรือล่นกันทุกวันนี้ก็ไม่มีพูดเจ้าแบบนั่นแล้วมีแต่คำสอนเราก็ยองศรัทธาจังหลังศรัทธาอยู่ <c oughs> แล้วปฏิบัติตามคำสอนแล้วมันก็มีกอบเป็นกรรมขึ้นมาศรัทธา อยากไปดูล่องลอยก็ปล่อยดูล่องลอยไปดูล่องลอ ย, ลอลอยก็เห็นล่องเห็นลอยพระพุทธเจ้าประโชติใดไปตัดชลูดที่ใดไปแสดงธรรมที่ไหนไปปฏิภานที่ไหนเป็นอย่างไร ตอนที่พูเจ้าไปบวชบวชยังไงพบอุตกาะดาบวที่ตรงไหนไปบำเพ็ญทุกขยกที่ใดตามไปดูก็มีหลักฐานตามไปดูว่ามีหลักฐานไปเห็นล่องเห็นลอยเห็นทางเสด็จขององ อย่างที่ลงตาพูดว่าจากพุทธคยามาพ า, าราณิชีเนี่ยหลายรอยกิโลก็ไม่พระเจ้าเดินเดินทางมาไม่มีรถเลยไปเห็นที่ต่างๆน่าจะมาเปรียบเทียบกับพวกเราทุกวนันนแทบไม่มีอะไรเลยจนพูด ก, ก็บตัวเองว่า โตนี่ไปแล้วว่าไม่ไหวจะไม่พูดเลยกาเรเผยแพร่ศาสนาเนี่ยก็บ่าไม่ไหวจะไม่พูดดือดขานไม่ไหวแล้วจะไม่พูดยาขนาดไหนก็จะไม่พูดเพราะว่าไม่ไหวนะถ้าเกี่ยวกับธรรมะนะเคยพูดแบบนี้เหมือนกันนะ ไปสนทําที่ยังใหม่พูดเล่กพูดอีกนะนั่งรถสีส้มที่คนเทนไปกับเพื่อนสองลูกแล้วก็รอนโดยนั่งข้างหลังรถก็เกากติดเครื่องร่อนทึมถ่มถ่มถมต้องไปจอง้ว้ถ้ามานั่งจองไม่มีที่นั่งร่อนเายก็ต้องนั่งมันก็ร้อนร้อน แล้วก็เพื่อนมันนั่งรอ้อนเหงื่อไหลใคร่ย้อยเพื่อนพูดว่าแย่แ yeah, ย yeah, ่ไม่ไหวไม่ไหวพัดลมมันก็ไม่เปิดตายแบบมี้ตายตายตายตา ย, ตายล้วก็พูดว่าไม่แย่ไม่แย่ไม่ใจเราเพื่อนบอกว่าไม่ไหวไม่ไหวเราบ่า ไ, ไห ว, ว, วไหวไหวพูดในใจเพื่อนบอกว่าตายตายตา ย, ตายไม่ไหวตาย แล้วก็พดในใจียว่าไม่ตายไม่ตายไม่แยกไม่แยกไหวไหวไม่ตายไม่ตาย <laughs> นี่เจีไม่พูดเลยนะถ้าไปงานการที่เป็นงานไปประโยชน์การธรรมะอะไรก็ตามที่งานที่เป็นงานชอบเนี่ยไม่ไม่เคยกลัวตาย <c oughs> นะอะไรก็งานชอบทั้งหมดเนาะ ไม่ใช่สอนคน อ, อย่างเดียวที่มันเป็นความถูกต้องช่วยกันการช่วยเหลือสิ่งที่ไปดีให้มันดีขึ้นมาเนี่ยเป็นงานชอบต้นไม้ในถุงในกระถางเหี่ยวแห้งเอาน้ําไปใช้เป็นความดีมันงานชอบไม่ไม่เกลียดขานไม่เกลียดข้า น, านอันทํำความดี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 อยากจะช่วยอยู่ทำไม่ได้ก็คิดจะช่วยกันอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือการงานชอ่องโตัวเจ้าเนี่ยดูซิหายเจหายเจโลแล่วอยู่แล้วระหวา่างกูเสีลนอนอยู่วระทบเดียนอนนอนอยู่ ก็อบอกเลยว่าจะนอนเปครั้งสุดท้ายจะไม่ลุกอีกก่อนแต่จะลูกว่าจะนั่งไปครั้งสุดท้ายจะไม่ลุกอีกจะนอนไปครั้งสุดท้ายจะไม่ลุกอีกแล้วบอกอานนนโปผ้าสกาติแต่ก่อนไม่ไว้วันหนาอยู่ในสวนมันละกษัตริย์ระหว่างต้นลังสองต้นเหมือนกรเสอบเ้ว ทหารพระพักไปทางทิศเหนือไม่หันพระพักไปทางทิศ ต, ตกเหมือนคนทั่วไปหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเหมือนต้นนี้ต้นนี่หันทิศตะวัอนออกพระเจ้าหันประพักหันมองหันกางนอนไปวันไหนจะนอนครั้งสุดท้ายอาโนนปูสังขารตีให้เรา แล้วก็อาโนนก็มีหลายรูปที่เอาผ้ากีวราโกมาขึงอ้อมใบไม่ใครเข้ามาอานนนก็เฝ้าอยู่ประตูมีว่ะอุปถากดูแลอยู่ว่ะอนุธะหลายรูปอานนนเฝ้าอยู่ข้างนอกอานนนมีนิสัยต้อนรับแขก หน้าตารับแขกดีให้อยู่ข้างนอกพูดกับคนคนมาก็พูดเขาแบบนี้พระพุทธเจ้าประชวนหนักอย่ามารบกวนมีอุปการชีวกคนหนึง่งเดินทางบี้มาจากที่ไหนอาจารย์อุปกาชีว วิ่งมาเขาได้ข่าวว่าพระเจ้าจะปริพัน์อยู่แล้วอบกาชิวกนีอุ้ ย, ยทันไหมนอทันไหมนอได้ยินแต่ชื่อได้ยินแต่ชื่อได้ยินไม่เคยฟังธรรมจากองค์เลยก็วิ่งมามาก็คุยกัสชูลุิลวัง อ, อ๋ออย่าเข้าม า, าเข้ามาขอพ้าเจ้าดอน โอ้ยเห็นใจเธอวิ่งมาจากเมืองโน้เห็นใจเห็นใจข้าพระองค์เห็นใจข้าพระเจ้าเถิดให้ข้าพ่อชักหน่อยนะพระองค์บอกจะเข้ามาจะเข้าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พระเจ้าประชาชนอกโอ้ยข h ổ khổ เามาบูรารีวบกพยายามที่จะเข้ามาให้ได้พระนรีพยายามที่ไม่เข้ามาพระเจ้าจะยินนะ นอนประทับอยู่อะไรอานนมีบาชีวุกจะเข้าไปอ่าพระพระุทธเจ้าไม่เข้าไปให้เขาเข้ามาให้เขาเข้อมาเออนอนก็จะตาย <laughs> ให้เขาเข้ามาเถอนนเาาเาอนน า, า, าอนนให้เข้ามาเธอะอารมณ์เข้ากับก้าว เราขอฟังธรรมพุทเจ้าในปฏิภาณสูตรตันอ่านดูเฉในพระสูตรพระสูตร ต, ตันตปดิโดปฏิภาณสูตรเรื่องการทรรมเทศนาคือึ้นได้ก็พอะลอให้พวกเรามาสวดกันอให้เราทั้งหลายประนมมาขึ้นสวดพระสูตรนิรู้จำได้ไหม อาจารย์นักเชินหันพระชวดเนี่เริ่มต้นพุทโงมือขึ้นทุกรูปทุกองอดฐานิพิกเวรานิพิกเวามันตัยากิโกโดก่อนฤทธิ์ทั้งหลา ย, หาหาย เขอเือนท่านตั้งหลายว่ะอายะธรรมจังขาลาสังขารตั้งหลายในความเสื่มไปเป็นธรรมดาอะปโมเทนะสัมปเทธาตั้งหลายจงสงบไม่ประมาท้ถึงพร้อมเถิดอะยังตัดขาดตัปชับปชิมาปาจาะ นี่เป็นพระวาจะมีขั้งสุดท้าของเราต่อสาวกเจ้าได้ยินไหมได้ยินไหมนี่เป็นพระว่าจะอันมีของเราต่อโทษขั้งสุดท้ายโอเจ้าแสดงท่ามผิดสากาันนี่แล้วก็นิพพานไปเลยอุปกาชิวกได้เป็นพระอรหันตันดีนะม ไม่ประมาทไม่ประมาทคืออะไรมีสติเป็นสาวกองสุดท้ายขอบวตจากพระเจ้าเรียกว่าสาวกองสุดท้ายที่สุดคืออุปจาชีวกองค์แรกคือใครนะใอ้ขีสาวกองแรกคือใครพูดมาแล้วพูดให้จำบอก อันนี้ก็จำเอาเนาะใครเป็นสพวกองค์แรกจำได้ไหมสาวตใครเป็นสาวกกองคสุดท้ายนี่แหละอุปกาชีวกเนี่ยแล้วอุปกาชีวกคือใครมาจากไหนแต่ว่าน้องตา ก, ก็ เรื่องลางๆกันนะจําอาจจะเป็นเบอชีวกที่พระพุทธเจ้าขั้งแรกที่สุดอยู่พุทธคยาน่ตอนนั้นพระเจ้าตัดสรูใหม่ๆจากประธานสวีมุติจุกอยู่สีมหาโพธิ์โดยออกจากสีมหาโพธิ์เดินไปประธับเดินไปเพื่อจะไป ว่าจะไปอิสิปตนะมนลึกธายวันนะโกาสชีวกร่นเหตุโูบเจ้าท่านเป็นใครท่านมาจากไหนทําไมจึงผ่องใสเหลือเกินท่านลู้ธรรมของใครมาใครเป็นกูของท่านมา โอกาสโชคถามมองใบหน้าละมันแปลกมันสดชื่นเยียมเยียเ่ยมแจ่มใสท่านมาจากไหนท่านเป็นใครใครเป็นครูของท่านครูของท่านสอนอยังไงคุณเจ้าตอบพังเล็กที่สุดเลยได้แสดงธรรมทางแรกอีดพุณเจ้าก็รุนแลงเกินไปเรา เป็นชาวเสียมผูตัดทะลชอบด้วยเราเองไม่มีใครเป็นกูของเราอนะ่ลุนเหลือเกินไปอบกาก่ชิวทอมนุหลจะเลยนะหนีไปเลยไม่ได้ไประโยชน์อะไรเล ย, เลยคุยโม่เ ก, กินไปคุยโม่เ ก, กินไปใช่ไหม เราเป็นชาวเสียมกูแต่รู้เองโดยชอบไม่มีใครเป็นครูของเราพูดอย่างนี้อุปการชิพกับไม่ได้ไม่เคยมีใครพูดอย่างนี้นี่แต่ครูทั้งหกอาจารย์สนใจเวลาทบทกูกูกิดใจนะ่ะ อ, อาจารยอา์อะไรต่างๆนี่แต่บ่งถึงอาจารย์กูกูเจะาะใจนะสนใจเวลาทบทอาทิตกับกําพล อะไรลหกพระเจ้าไม่ว่าดเงั้นนะเราเป็นชาวเสียมโูตัดรูอย่างน้อยชอบไม่ใครเป็นโคของเรานะไม่มีใครพูดอย่างนี้นเลยบาดชีวคราวเล็บลินเนจเลยไม่ฟังทําให้สนใจนี่แหละองค์เนี่ยมาประทับใจนะเรล่ลเรือมาเล่าเรือมาเล่าเรือม า, า, อมาพระเจ้าที่ถ้าออกบวช แต่ต่ดสุดบนเจ้าเรากําลังเผยแพร่ทําอยู่ทั่วประเทศวราชื่อว่าก็จะเป็นลงนั่นหรือเปล่าเนอจะเป็นลงนั่นหรือเปล่าเนอ ะ, ะนนน อ, า, อ, ะอาจะใช่แล้วอาจะใช่แล้วเราพลาดแล้วอาจะให้ดแล้วได้เย็นอยู่เก็บใจเจ็บใจเก็บใจเหลือเกินพอได้ยินข่าวว่าจะเป็นนิพพานเราจั น, ว, จนวิ่งเลยแบบวิ่งเลย ไปเลยทีใช่ไหมอันละสาวกคนสุดท้ายแต่พระพบก่อนใครทั้งหมดแต่ว่าเป็นคุณุดท้าย อ, อ้อพาดท่าแต่ไม่ให้พาดนะเนี่ยสยามภูอยู่ที่ไหนเราเป็นชาวสยามโพหลวงตางก็ไปมาแล้วนะสยมภูเป็นเมืองประเทศไหนปาน อยู่ประเทศไหนบา้านโครงการบรรดุเมืองหลวงเขาหลวงตอก็ไปไปดูเสียมภูเป็นไงมีจริงจริงสยองผูสองสามพันปีแล้วยังมีเดี๋ยวนี้เขาก็มีมี เ, เรวมีพริษัทคนหนึ่งเป็นผู้หญิงเรายังเชื่อนะชาวเสีมพูนะ ว่าจะเกิดหัวเจ้าขึ้นมาอีกในชาตินี้เป็นผู้หญิงอายุเจ็ดแปดปีเราเาให้ดูอยู่ประสาทชั้นบนนีผู้ดูแลนี้พ่อแม่ที่งั่นเราเรียกว่าโพธิจัว์เป็นเด็กน้อยแล้วก็ลองตาก็ไปดูเขานะ ก็ถ้าพระ อ, องค์มองหน้าใครยิ้มให้ใครนะเร้ยกวิบูลนะถ้าเห็นหน้านะจะมีหน้าตาเขาก็มีลานเราก็เข้าไปในวังเขากับพระถามโลกญาโจรได้บ้างได้ไปเข้าไปไปยืนอยู่ขอแต่ห้ามขอห้ามถ่ายภาพ ทราไม่ทาเราไปยืนอยู่ยมองเปิดปหน้าต่บางมาเปิดหน้าต่างมาเดี๋ยวมอปากฏว่ยิ่มนะยิม้มร้อนตีใจว่าพระโพธิสัตว์ยี้มใส่กันคนในบนมากแล้วก็ยิ่งใส่แต่ก็ยังเขี่ยอยู่นะเดี๋ยวนี้คงเป็นสาวแล้ว ถ้าใครอยากดูไปก็ได้กรุงการบรรดุประเทศเนปาล น, นะ <c oughs> นี่ถ้าใอยากเคยดูไปดูได้ไปอินเดียขึ้นจากขึ้นเทื่องวินจากสวนลุมพินีข้ามภูเขาฮิมลาลัยป้ามข้ามภูเขาเอลเวตหลัาตาไปอยู่นั่นคืนหนึ่งเขาพาขึ้นไปนอนอยู่ฮีมลาลัย ไปนอนหลังเข า, าเห็นาะไยแล้วไอ <c oughs> ้บ้านพักให้พักเอาให้แตพักข้างบนมีพระด้วยกันสามรูปนะไปนอนอยู่น้ําแข็งแล้วในบ้านพากแอ น, นี้เรีวยกว่าข้าพระเจ้าเราเป็นชาวเสียมปูหรือเมืองนี้แน่นอนแต่อทูกอย่างโดยชอบไปหมดแล้วบ้านเราก็ เดี๋ยวนี้เรา ก, กำลังสั ป, ปดาหแห่งการมาข้าพุทชาพระสงฆ์ท่องหอยตั้งแต่วันเป็นเดืนเนเนเนเอนแปดเกิดพระหงฆนขึ้นมาต่างคนต้องอยู่ไม่เคยเห็นหน้าพระเจ้ามีแต่พระบรร ญ, ญากวนอย่าบวบปรับพระญมหานามอา ช, าชิชะยาสาบคนหมดห้าสิบกว่าคน บางคนจังได้ข่าวว่าพูะเจ้าอยู่โ น, น้นเวลุวันโ น, น้นกุงเราจะคือนโ น, น้นประทับอยู่ที่โ น, น้นใครก็ดีเงนข่าวมาบรรลุ ธ, ธรรมแล้วปฏิบัติคำ ล, รรลูกศิษย์สาวโบของพระเจ้าได้เกิดบรรลุ ธ, ธรรมมากก็คิดถึงพระเจ้าต่างคนต่างจะไปอนมาข้าบุญชาเพนเดนสามเนี่ย เป็นเป็นวัน <c oughs> เป็นวัน พ, พิธีของเขาของคนเฉกเรียกว่าวันใส่ล้ายป้ายสีงานสงการบ้าน เ, าเราดวงตาก็ไปเจอวันนี้พอดีนันก็ขอเล่าเยอหน่อยได้ไหมเรียกว่าวันใส่ล้ายป้ายสีวันใส่ร้ายป้ายสีคือวันอะไรวันเล่นสงการเขา ผู้คนอีเดียวก็ไม่ไม่ไปเหมือนกระสงการเราจะไปไหนดีเราเราจะไม่ไปเล่นเหมือนเมื่อก่อนแล้วเราเป็นพระเป็นพระหันแล้วคิดถึงพระเจ้าไปพระบู้าคิดแบบเดียวกันหมดเลยพระหรัรใสมไหมนั่นเพราะทาไมจึงทำไ ม, ไมคิดแบบเดียวกันอ่ะบอกมันเป็นประเพณีคนไทยนเวลาสงการก็กลับบ้านกับช่องนะแต่สาวกทั้งหลายไม่กลับมาเล่นสงกานรไปพระเจ้า โ, โดนทางไปเลยเดี๋ยวนี้กำลังเดินทางล่ะไปถึงกุรแจคือไปถึงวันเดียวกันไปวันสงการานย์เดินเพนเดินสามนะึ่วันจะไล่ไปสีหลนดาไปอยู่สารกี่จะอยู่สารกี่ไปถึงวันนี้พอดีแล้วก็เล่นสงการานย์ใส่ไล่ไปสีเขาไม่สีนะแต่ไม่แต่ผู้ชายไม่มีผู้หญิงนะ สีเขาเนี่ยเขาถ้าเขาไปเราล้างาออกนะล้างไม่ออกเลยล้างตั้งหลายวันยังก่ออากป้ายหน้ากันคนเดี่ยวนี่ยถ้าไปช่วงนี้เละหน้าตาไม่สวยนะ่ะมีแต่ลอยสีตาก็มางร <laughs> <laughs> อยก่อเราดีลงตาไปนั่งอยู่ที่นั่นที่วัดเนี่ยวาดสาันจีเนี่ย ประเทศอะไรเมืองอะไรเมืองล็กเนาหรือเมืองโปปันนี่หละพอดีมันเห็นหลวงตานั่งอยู่พวกคนหนุ่มลาลามะลายลายลามะลายลายลามะ ม, มันนึกว่าหลวงตาเป็นองค์ลายลายามะลายลายลามะลายลายลามะมากันเป็นกลุ่มๆหน่อยถือก็บองซีมาลดยลามะลายลายลามาเอาจะหนีไปไหนละ่ะ เออหนีไปไหนไม่หนีไปไหนแล่ะก็นั่งมันมีกติกาเก่าๆไปนั่งอยู่กตินะมันเหลือแต่เสากับคือกับคอเสาก็นั่งก็มักระดูกไม่สะทกสะเทือนเขาจะมาทําไรก็เล่าแต่เขาจะทําเอากวิ่งมาใกล้ๆแห่เข้ามาพอเข้ามาใกล้เขาเงียบหลงเงียบหลงเงียบหลงเงียบลงห ล, ล, ล, ลงไม่กลัวเอาจอ ป่ายไงก็แล้วแต่เขาลงคิวบอเงียบลงเงียบลงหมาถึงใกล้นั่งลงมาหน่ะพอนั่งลงตาก็เลือนตาหน้อยๆมองมันเอาสีมาแะ่คิวบอลน้อย น, นังแล้วก็มันก็ลงหนีไปไล่ไล่มาอไล่มาแต่เราวิง่งหนีมันจะตามไล่เลยจตามเนเรานั่งเฉยๆมันก็มองเ่ยคิวบอ เพราะนั้นในวันเพ็ญเดือนสามเนี่ย เ, เหลาโมกเก่งไปรวมกันเพราะเป็นเป็นวันสายไล่ปสีเขาจะไปรวมกันที่นั้นได้เป็นวันปาฏิโมกตก่อนจะถึงวันกี่วันเนี่ยให้ขอจบท่านี้ก่อนมันไม่หมดให้มันหมดซะ